โยมเข้ามานั่งกันเต็มห้องอ่ะยังไม่ได้สแกนชิวาโคตกันเลยเสาร์อาทิตย์หน้าเข้ามาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะมีกติกาของเราที่จริงตอนนี้กติกาคือบอกโยมอย่าเพิ่งมาวัดยังไม่ได้เริม แต่มาวัดก็ดีกว่าไปเที่ยวสุขสนที่อื่นบางคนฟังทมนานหลายปีสิบปีสิบปีก็มีการปฏิบัติมันไม่เข้มข้นพอถ้าเด็ดเดี่ยวจริงๆควรจะต้องได้อะไรบ้าง ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะมันไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาจะทำได้ธรรมะที่ท่านสอนมันเรื่องคนทำได้อะไรที่เกินกว่าคนปกติจะทำได้ท่านก็ไม่ได้สอนเอาไว้ครูวาาจารยหนึ่งท่านเคยบอกหลวงพ่อว่าท่านดูพระไตรปิฎกแนละ้ว ท่านท่องพระไตรปิฎกได้ท่าบอกในพระไตรปิฎกนั้นพระพุทธเจ้าสอนไวนน้เป็นเรื่องการปฏิบัติทั้งนั้นเอามาปฏิบัติไดอ้อยู่ที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วน้อมนามาปฏิบัติจริงหรือไม่จริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนันมีสองระดับในระดับ จริยธรรมสอนชาวบ้านอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีทำอย่างนี้เรารวยทำอย่างนี้แล้วชีวิตตกอับก็เป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นความจริงในระดับหนึ่งอย่างถ้าเราครบคนไม่ดีคบคนผ่า น, น, นชีวิตอับเฉาแน่นอ น, น, นเริ่มต้น มงคลชีวิตนะมงคลข้อแรกเลยไม่ครบพลพานข้อที่สองให้ครบบัณฑิตครบพลพานมันเป็นอับายมุกเป็นปากทางแห่งความเสื่อมหรือเราติดการพนังเงี้ยยังไงชีวิตก็เสื่อมนั้นธรรมะที่ท่านสอนนะมันมันก็เป็นความจริง ดีพวกเราได้เอามาทำหรือเปล่าเอามาปฏิบัติสม่าเสมอไปผ่านไปช่วงหนึ่งแนละ้วจะเห็นผลหรือธรรมะระดับที่จะพ้นโลกธรรมะหนึ่งเป็นธรรมะที่จะอยู่กับโลกยังมีความสุขธรรมะระดับพ้นโลกสอนท่านสอนให้เรามีศีลสมาธิปัญญา เจริญวิปัสสนากรรมฐานอะไรถ้าเราลงมือปฏิบัติให้จริงจังนะตั้งอกตั้งใจเด็ดเดียวทำทุกวันทุกวันไม่เลิกอ่ะผ่านไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นพัฒนาการของตัวเองหลวงพ่อเมื่อก่อนก็เป็นฆลาวาดเหมือนพวกเรานี่แหละก็รู้จักคนหลายจําพวก พวกหนึ่งไม่สนใจการปฏิบัติเลยไม่สนใจกระทั่งศาสนาวันวันหมกมุ่นอยู่กับโลกพวกหนึ่งก็สนใจเข้าวาดัดเข้าวาก็เข้าไปทำบุญอะไรส่วนน้อยที่สนใจแล้วเข้าไปศึกษาไปปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติส่วนน้อยที่สุดลงมือปฏิบัติแล้วเอาจริงไม่เลิก มีหลายระดับนะผ่านวันผ่านเวลามาหลายสิบปีนะี่หันไปมองคนที่เคยรู้จักกันมาเดินกระทบไหลกันมาพวกหนึ่งก็เป็นคนแก่งอัเงือกหาอะไรติดตัวไม่ได้เลยอาจจะรวยนะแต่ว่าไม่รู้จักศีลรู้จักธรรมไม่รู้จักอะไรเลยชีวิตไม่ได้มีความสุขเลย เสรียเป็นคนแก่ที่เหี่ยวเฉาไม่มีความสุขในชีวิตวันๆก็คิดแต่ว่าลูกหลานทำไมไม่ยอมมาเยี่ยมนั่งด่าลูกห ล, หลานให้คนฟังวันไหนลูกหลานมาเยี่ยมก็ด่าลูกหลานอีกสุดท้ายไม่มีใครก็อยากเห็นนะเพราะทำตัวเองสะสมกิเลสมานานเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งมานาน ให้ทำอะไรให้ไม่ถูกใจตลอดนะพวกเข้าวัดนะชอบทำบุญชอบอะไรยิ่งเวลานึกถึงยังมีความสุขอยู่นะเอารูปมาดูเคยไปวัดนี้ไปวัดนี้ก็มีความสุขของเขาได้ถ้ตายไปแบบหลงในความสุขยังหลงอยู่แต่หลงดีก็นะไปสุคติได้ ไปสุขติมไปตั้งแต่ยังไม่ตายเหมือนพวกที่ไปทุกขติมไปตั้งแต่ยังไม่ตายเหมือนทุลนทุไลอะไรอะไรก็ไม่ไม่ถูกใจไปหมดพวกทาบุญมาดีนะนึกถึงแล้วก็มีความสุขนะเฮฮาลืมนึกไปอย่างนะพวกที่เข้าวัดด้วยกันมันตายไปับหมดแล้วลเวลานึกถึงว่าคนนี้ตายไปแล้วก็ยังนึกไปในทางบวก เพราะว่าทำบุญมาเยอะนะเคยไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้ก็คงจะไปสวรรค์ละคิดอย่างนี้ก็มีความสุขไปหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกนะคนที่เคยภาวนาผ่านวันผ่านเวลามานานบางคนภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วพอใจในผลที่ได้รับแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้น ก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันแต่ส่วนน้อยที่หลวงพ่อบอกคือภาวนามไม่เลิกสู้ตายตรับใดที่ยังมีกิเลสอยู่ยังยอมรับตัวเองไม่ได้ต้องต่อสู้เด่นเดี่ยวต่อสู้ผ่านวานผ่านเวลาไปหันไปมองรอบๆตัวเนแทบไม่เหลือใครเลยแทบไม่เหลือคนที่ตามกันมาเนี่ยเหลือน้อยเต็มที แต่ว่าคนพวกนี้มีความสุขมากนะชีวิตมันเต็มสมบูรณ์อยู่ในตัวเองไม่ได้หิวโหยคนส่วนใหญ่ที่ภาวนามาไม่เต็มที่ไม่เต็มปุ่มใจมีหิวเดี๋ยวก็อยากโน่นเดี๋ยวก็อยาก น, นีกกน้ทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นความยิ้นรนในใจก็เกิดขึ้น ทุกครั้งที่ความดิ้นรนในใจเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้ น, นถะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเท่านั้นเองแต่คนที่ภาวนาจนเห็นความจริงของชีวิตแจ่มแจ้งั้นโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้จริงก็คือกายกับใจของเรานี่เองขันห้านี่แหละตัวโลกไม่มีอะไรนอกจากทุกข์ขันห้าเต็มไปได้วยภาระ สิ่งที่มันเป็นภาระมันบีบคั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษ mm hmm. พอรู้สึกอย่างนี้นะใจมันคลายความยึดถือในขันห้าออกใจมันก็หมดความอยากพอเห็นความจริงของขันห้าแล้วมันจะหมดความอยากาการที่ไม่เห็นความจริงของขันห้านะนแะเรียกว่ า, าวิชาพอเห็นความจริงของขันห้าแล้วเรียกว่ามีวิชาแล้ว ใจมันจะหมดความอยากหมดความหิวโหยที่มันหิวโหยมันอยากเพราะมันยังไม่เห็นความจริงของกายของใจของรูปนามึ่งคิดว่ากายนี้เป็นของดีของวิเศษนะใจนี้เป็นของดีของวิเศษมันก็อยากให้กายให้ใจมีความสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์ความอยากมันก็เกิดขึ้นถ้าเราพานาเด็ดเดี่ยวจริงจังนะเรียนรู้รงในกายเรียนรู้รงในใจไม่เลิก ถึงจุหนึ่งมันจะปิ้งขึ้นมาเวลาเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจธรรมะเ่มันเข้าใจในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองมันปิ้งขึ้นมาในพริบตาเดียวเท่านั้นเองเม่รู้ละวกายในใจนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอะไรแล ร, รู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ความจริงของกายของใจแล้วเนี่ยมันจะบรนลักษมูทยัยอัตโนมัติมละความอยากโดยอัตโนมัติ ความอยากที่พวกเรามีท่วมหัวท่วมหูเราอยู่ทุกวันนี้ไปดูให้ดีย่ยอลงมาสรุปลงมามันก็เหลือแค่ว่าอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์อย่างอยากมีเมียหลายๆคนนันก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากมีเงินมากๆก็คืออยากให้กายให้ใจของเราเป็นสุขคิดว่าถ้าไม่มีเงนินแล้วมันจะไม่มีความสุขสารพัดจะอยากนะ น, นะ จริงๆย่อลงมาสรุปลงมาประมวลลงมาแล้วมันก็ลงมาที่กายที่ใจเราเองอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์แต่พอมันแจมแจ้งแล้วนะว่ากายกับใจนี่นะมันคือตัวทุกข์มันรู้แจ้งขึ้มาแล้วมันคือตัวทุกข์มันก็หมดความยึดถือในใกายในใจนะมันก็ไม่รู้สึกว่าอยากให้กายเนี่ยมันมีความสุขตลอดเพราะรู้ความจริงแล้วากายมันทุกข์ อยากให้มันไม่ทุกข์นี่โง่นะอยากให้ของที่ต้องทุกข์มันไม่ทุกข์หรืออยากให้ของที่มันทุกข์มันมีความสุขนี่มันเป็นความโง่เขลาของเราเองความไม่รู้เรียกว่าวิชาพอเรารู้ความจริงของกายของใจแล้วความอยากมันจะไม่เกิดเรียกรู้ทุก์แจ่มแจ้งก็เป็นการละสมุทยัยสมุทัยก็คือตัวอยากตัวตัณหานั่นเอง เมื่อเราละความอยากได้แล้วนะใจก็จะหมดความดิ้นรยหิวโหยใจเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงนะคือพระอ น, นิพพานหรือ น, นิโรธันั้นเมื่อไหรเรารู้ทุกจำแจ้งก็เป็นอันละสมูทัยเมื่อนั้นเมื่อไรลาสมูทัยเมื่อนั้นก็แจ้งนิโรธมานั้นเป็นเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันนั่นแหละรู้ทุกลาสมูทยัยแจ้งนิโรธและในขณะนั้นอริยมรรคจะเกิดขึ้น กิจทั้งสี่ของอญญริยสัจคือการรู้ถูกการละสมุทยัยการแจ้งนิโรธการเจริญมรรคเนี่ยกิตทั้งสี่เนี่ยสาเร็จเข้าสู่ความสาเร็จทำกิดทั้งสี่สำเร็จนะในขณะจิตเดียววับเดียวนะนะสาเร็จหมดละนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านะอศัศจรรย์แสนจะอศัศจรรย์เราลงมือปฏิบัติแล้วเราเห็นจริงตามที่ท่านสอนนะ ความทุกข์มันจะกระเด็นออกไปจากใจของเราความทุกข์มันอยู่แต่ร่างกายร่างกายก็เจ็บป่วยแก่เท่าไปก็เจ็บป่วยมากอะไรเงี้ยบางคนแม่ทันแก่ก็เจ็บป่วยมากให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาร่างกายนี้ยมันทุกข์มันเป็นธรรมดาแต่ใจที่ฝึกดีแล้วนะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้จิตที่ฝึกดีแล้วฝึก อบรมศีลสมาธิปัญญาจนแก่รอบนะในที่สุดก็เกิดวิชาการได้รู้ความจริงของาธาตุของขันธ์กายนี่คือตัวทุกข์ความอยากให้กายไม่ทุกข์ไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายมีแต่ความสุขล้วนๆไม่เกิดขึ้นเพราะมันฉลาดจนรู้ว่าความสุขความอยากอันนั้นมันโง่มันอ่างโง่มันถึงเรียกว่ า, าวิชามันโง่ หรืออยากให้จิตใจเนี่ยมีแต่ความสุขอยากให้จิตใจไม่มีความทุกข์คันห้ายัางไงก็ทุกข์ถ้าเราภาวนาะเราหัดช่วงระหว่างที่เรายัางไม่ถึงจุดสุดขีดของการปฏิบัติเนะี่ยเราจะพบว่าร่างกายเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์แต่จิตเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างมันจะเห็นอย่างนี้จิตเป็นของทุกข์บ้างสุขบ้างแต่เมื่อเราภาวนาเต็มที่แล้วนะเราจะรู้ว่า จิตนี่แหละคือตัวทุกข์คือหัวโจของความทุกข์คือสิ่งที่ทุกข์ที่สุดเลยในวัฏสงสารไม่มีอะไรทุกข์มากกว่าตัวจิตเลยเะงั้นคนทั่วๆไปนะที่พอวนายังไม่ได้ถึงจุดสุดท้ายเนี่ยยังเห็นว่าเราสามารถทำจิตให้มีความสุขได้ด้วยการทำทานถือศีลนั่งสมาธิ บางทีจเจริญปัญญาไปคิดพิจารณาธรรมะเรียนอะพิธรรมเรียนอะไรไปนะแล้วรู้สึกว่าจิตใจมีความสุขอันนั้นยังไม่ได้เห็นความจริงของจิตถ้าได้ภาวนาจะเห็นความจริงของตัวจิตแล้วเนี่ยจะรู้ว่าตัวจิตเองก็ตัวทุกข์จิตมันอยู่ในวิญญาณขันธ์ท่านก็บอกแล้วว่าขันธ์ห้ามันเป็นตัวทุกข์มันจะเปลี่ยนเป็นตัวสุขไปสําหรับคนหลงเท่านั้นคนที่ยังมีอวิชชาอยู่ นี่ถ้าภาวนาจนถึงจุดหนึ่งนะจิตมันรวมตัวลงที่จิตทีแรกจิตมันวางโลกนะนพิจารณาโลกแจ่มแจ้งแล้วมันวางโลกข้างนอกลงมาอยู่ที่กายที่ใจนี้ต่อมามันมีปัญญาแทงตลอดลงในกายมันรู้ในกายนี้คือตัวทุกขนะ์มันวางกายลงไปแล้วมันก็จะเข้ามาที่ตัวความรู้สึกทั้งหลายมาเห็นเลยตัวจิตเนี่ยเป็นตัวที่มีความสุขแต่ความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยสุขบ้างทุกข์บ้าง ก็พยายามสร้างความดีต่างๆนะเพื่อจะได้มีอารมณ์ที่ดีมีความสุขนี่ภาวนาไปเรื่อยๆนะอย่างจิตทรงสมาธิจิตทรงฌานอย่างดีนะจิตแม้ดูมีความสุขมากเลยมีอารมณ์ที่มีความสุขภาวนาไปภาวนาไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นนะกระทั่งการเข้าฌานนะก็เป็นภาระของจิตนะก็จะวางอารมณ์ทั้งหลายที่ เคยแสแงหาอนาะรมณ์ที่ละเอียดที่ประณีตนะัก็จะวางพอวางอารมณ์ทั้งหลายแล้วมันจะทวนกระแสะเข้ามาที่ตัวจิตจิตตัวนี้ไม่ใช่จิตธรรมดานะเป็นตัวจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยถ้าเป็นทางปริยัตมันคือมหากุศลและจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องพยายามให้เกิดนะเป็นจิตกุศลชั้นเลิศนะในทางปริยัตยมีสองดวง จิตชนิดนี้จิตทั้งหมดมีตั้งแปดสิบกว่าดวงนะแยกละเอียดทั้งร้อยี่สิบกว่าดวงนะได้มีสองดวงนี้เท่านั้นนะที่ทรงคุณค่ามหาศาลจริงๆคือจิตที่เป็นกุศลนะเป็นเรียกมหากุศลจิตลักษณะของจิตที่เป็นมหากุศลคือไม่โลภไม่โกรธไม่ห ล, ลงนะแล้วก็มีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวนะ ไม่ขี้เกียจขี้คลานแล้วก็รู้สภาวะทั้งหลายโดยไม่เข้าไปแทรกแซง น, นลักษณะของจิตที่เป็นกุศลชั้นเลิศจริงๆเป็นอย่างนี้แล้วก็ประกอบด้วยกันมีปัญญาจิตบางดวงเป็นกุศลแต่ไม่มีปัญญาเฉยๆเฉยซื่อบื้อซื่อบื้ออยู่เฉยๆยังบางคนภาวนานะมุ่งไปหาจิตที่ว่าง จิตเฉยๆว่างๆถือว่าดีมันดีเหมือนกันเมื่อเทียบกับจิตวุ่นวายแต่มันยังต่ําต้อยเมื่อเทียบกับจิตที่เจริญปัญญาได้อย่างแท้จริงงั้นหลวงปุดูลท่านไม่มายกย่องหรอกนะทําจิตให้ว่างทําจิตให้นิ่งอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้ต้องเจริญปัญญาเข้าพี่อีกงจนเห็นความจริงท่านเรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นความจริงแลตัวจิต ผู้รู้นะันะที่ว่าดีที่ว่าพิเศษนะเป็นของพิเศษที่สุดนะในโลกนะในความเป็นจริงมันยังเป็นตัวทุกอยู่ก็นะเห็นถึงขนาดนี้นะแล้ววางจิตผู้รู้ลงเรียกว่าจิตรู้จิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วนะจิตก็ปล่อยวางจิตถ้านะจิตปล่อยวางจิตแล้วจิตมันจะแปลสภาพไปเป็นธรรมชาติรู้ เป็นธรรมธาตุไม่ใช่ธรรมชาติรู้ธรรมชาตินี่ยเป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับอยู่คำว่าชาติเนี่ยแปลว่าเกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นยังดับอยู่เพราะนจะเข้าถึงธรรมแท้เข้าถึงจิตแท้ธรรมแท้ตัวนี้ครูบาอาจารย์ท่านเรียกชื่อไม่เหมือนกันท่านไม่ได้เรียนปริยัติอย่างสมเด็จพระญาณสังวรท่านเก่งปริยัติ ด, ด้วยท่านเรียกตัวนี้ว่าวิญญาณธาตุ เป็นตัวธาตุรู้ที่แท้จริงครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงตามหามัวท่านเรียกธรรมธาตุเป็นธาตุแห่งธรรมก็ถูกของท่านบางองค์ท่านเรียกว่าใจหลวงปู่ม่นท่านก็เรียกใจหลวงปู่เทศท่านก็เรียกว่าใจหลวงปู่ดูนท่านเรียกว่าจิตหนึ่งท่านเรียกตามหลวงโปท่านพุทธท่านเรียกตามท่านไว้หลังจิตเดิมแท้ มันคือสภาวะอันเดียวกันเป็นสภาวะที่จิตใจรู้ความจริงของขันห้าอย่างแจ่มแจ้งแล้วปล่อยวางขันห้าลงได้พอท่านวางขันห้าลงได้แล้วนะตัวจิตผู้รู้เนี่ยถูกวางไปถ้วยแล้วเพราะมันอยู่ในขันห้านั่นแหละมันจะเหลือสิ่งซึ่งอยู่เหนือกองถูก ขันเนี่ยมีสองส่วนนะขันที่เป็นอุปาทานขันอยู่ในกองทุกข์ขันที่พ้นจากอุปาทานขันพ้นจากกองทุกข์ตัวโล ก, กุตระจิตทั้งหลายนะี่ยมันพ้นจากกองทุกข์เพราะงั้นเข้ามาถึงตรงนี้แล้วมันไม่ทุกข์แล้วตัวมันก็ไม่ทุกขนะ์แต่โล ก, กุตระจิตในเบื้องต้นนะ อย่างพระโสดาพระสักราคาพระนาคาเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปทันทีเลยตอนที่บรรลุพระอราหันต์นะอรหัตมักอรหัตมักขจิตเกิดแล้วก็ดับอรหัตพฝนจิตเกิดแล้วก็ดับตรงนี้เนยเป็นจิตเกิดดับแต่เมื่อมันเกิดดับไปตรงนี้แล้วเนี่ยมันเข้าถึงสภาวะรู้อีกชนิดหนึ่งสภาวะรู้อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมันไม่มีความแปรปรวนอีกต่อไปแล้วแต่จะว่าไม่แปรปรวนเลยก็ไม่เชิงเพราะมันยังมีลักษณะสองอันประกอบกันอยู่นะบางดวงมีความสุขบางดวงเป็นอุบเบกขายั่มีลักษณะนี้บางดวงสงบสุขอยู่เฉยๆบางดวงประกอบด้วยปัญญาระฉม้นอย่างพ ร, าารนะละหันเนี่ยไม่ใช่มีปัญญาตลอดเวลานะจิตบางดวงก็เฉยๆบางดวงก็ประกอบด้วยปัญญา แต่ว่ามันมีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างหนึง่งนะก็คือไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งมันได้อีกต่อไปแล้วมันไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะสิ่งใดอีกต่อไปแล้วถ้ายังไม่ถึงจุดนี้มันยังกระเพื่อมหวั่นไหวอยู่อย่างอยากได้จิตที่มีปัญญาอยากได้จิตที่มีความสุขอะไรเงี้ยยังมีอยู่แต่พอพานาถึงขีดสุดแล้วเนี่ยมันไม่มนะีพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปรัชญาพูดกันเลื่อนๆลอยๆแต่เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราแล้วท่านก็บอกว่าควรบอกกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดชวนให้ลองชักชวนให้ลองงั้นหลวงพ่อก็ชวนพวกเราว่ามาลองดูเถิดจริงหรือไม่จริงท่านไม่ได้สอนให้เชื่อ ท่านสอนให้ลองดูว่าที่ท่านสอนไว้นะ่ะจริงหรือไม่จริงมาพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองเมื่อได้ลองเต็มที่แล้วนะวิธีลองทํำยังไงโอปะนะอิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองเอฮิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดนะวิธีลองก็คือโอปะนะอีโกน้อมเข้ามาหาตัวเองมาเรียนรู้ลงที่รูปนามกาใจของตัวเองสุดท้ายก็จะรู้ได้ด้วยตัวเอง วินยูชนรู้แจ้งความจริงด้วยตนเองปจัจจตางเวทิตภพอวินยูหิวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองจริงหรือไม่จริงพอเห็นแล้วเนี้ยนะมันจะห้าวหาญเลยนะว่าอันนี้เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่มีความค่อนแคลนไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธศาสนาอีกต่อไปะแล้วบางทีบางสำนวนนะครูบาอาจารย์บางองคนะ์เจอกันเนี้ยท่านถามกันท่านชวนคุยกัน ความจริงท่านไม่ได้มีความสงสัยแต่ท่านชวนคุยกันว่าในท่านยังมีความสงสัยในพระศาสนาอยู่ไหมเนี่ยเป็นะสำนวนนะถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องกั น, นึงว่าเอ๊ะท่านคุยกันเฉยๆแต่ความจริงท่านคุยกันว่าแตกหักไปหรือยังนะก็ยังไม่ได้แตกหักลงไปเนี่ยยังไม่สิ้นสงสัยในพระพุทธศาสนาสำนวน ครูบาอาจารย์นะทีท่านก็ต้องเลี่ยงๆไม่ให้คนมันมาโจมตีได้เดี๋ยวมันบาปเปล่าๆพวกคนบางคนมันพอนาไม่เป็นมันได้ยินครูบาอาจารย์พูดมันก็โจรอาบัติหลวงพูดูดยเคยเจอเละเคยโดนมีพวกพระกรรมฐานพวกหนึ่งไปชักชวนกันจะมา ชอนามบัหลวงปู่ดูลบอกวดอุตรีมนุษธรรมพูดเรื่องจิตเดิมแท้จิตว่างจิตหนึ่งอะไรเนี้ยสอนให้ดูจิตที่จริงก็คือไม่พอใจคำสอนเรื่องดูจิตนั่นแะ mm hmm. ก็จะจงตีก็จะบอกว่าท่านปราชิกอวดอุตรีมนุษธรรมในสิ่งที่ตนไม่มีไป mm hmm. ชวนหลวงตามหาบัวบอกให้ช่วยกันจงตีหลวงตาบอกพระองค์นี้เราไม่เอานะ เราไม่เล่นด้วยนะพวกนี้ถึงหยุดไม่กล้าดีว่ายัางฉลาดอยู่นะรู้ว่าหลวงตาพูดอย่างนี้หมายถึงอะไรไม่กล้าโจมตีงั้นเวลาครูบาอาจารย์พูดบทีท่านอ้อมค้อมนะพูดเลี้ยงๆไปเพื่อจะสอนเราสอนตรงๆก็ไม่ได้มันร้ายคนยุคนี้ต้องสอนอ้อมไปอ้อมมาแต่ถ้าเป็นพรานี้พูดกันตรงไปตรงมาได้นะ ยังเป็นพระเนี่ยสอนกันจวกกันเนะยหนักกว่าที่โยมเจอเยอะเลยยังเป็นโยมนะว่าพาวนาดีพาวนาดีพอ ม, มาบวชอย่ากักครูบาอาจารย์แทบจะต้องเริ่มต้นใหม่เลยไอ้ที่ดีแบบโยมมันก็ดีแบบโยมแต่มันยังไม่ใช่ดีแบบพระมันยังอ่อนกว่ากันเยอะนะบทเรียนความเข้มข้น น, น้อยกว่ากันเยอะเลย แต่ธรรมะที่หลวงพ่อมาสอนเนี่ยหลวงพ่อได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์ก็เลยเอามาเผื่อพวกเราหลวงพ่อเรียนจากท่านตั้งแต่สมัยหลวงพ่อยังเป็นโยมท่านสอนธรรมะระดับเนี้ยให้กับหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อยังเป็นโยมและบางองคนะ์ท่านสั่งหลวงพ่อไว้ด้วยหลวงพ่อพุทนท่านสั่งหลวงพ่อว่าให้ไปเผยแพร่ต่อ เนื่องที่หลวงพ่ อ, ออกมาสอนเย็งๆนะตั้งแต่เป็นโยมทำตามที่ครูบาอาจารย์สั่งไม่ใช่เสลอออกมาสอนเองนะหลวงพ่อพูดท่านสั่งท่านบอกว่าคนที่มีจริตนี่ใสแบบคุณยังมีอีกมากถ้าเขาไม่ได้ฟังทำอย่างนี้แล้วเขาจะเสียโอกาสที่จริงก็คือคนยุคนี้มันเป็นคนช่างคิดช่างหาเหตุผล พวกช่างคิดนี่เรียกว่าพวกทิฏฐิจริตนะกรรมฐานที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตคือการดูจิตหนะลวงปูดด่ดลย์สอนหลวงพ่อเสร็จแล้ ว, นะลวท่านยังบอกเลยต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกงี้นะมาถึงวันนี้นะสังคมมันกลายเป็นสังคมเมืองไปแล้วสังคมชนลำบทสังคมกเกษตรเนี่ยเหลือไม่ถึงส0เปอร์นตะลองไปดูจากผลผลิตมวลรวมของประเทศนะ น, นะ ผลผลิตในภาคเกษตรเหลือนิดเดียวแล้วเหลือนิดเดียวเพราะงั้นชีวิตส่วนใหญ่เป็นชีวิตของคนเมืองแล้วในยุคนี้ก็มาฐานที่เหมาะคนเมืองคนเมืองมีลักษณะช่างคิดก็มาฐานที่เหมาะกับคนช่างคิดคือการดูจิต ต, ตนเองเราะฉะนั้นหลวงปูดด่โดนท่านถึงพยากรณไว้บอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านแม่สอนเรื่องอื่นกับหลวงพ่อเลยนะท่านเจาะเข้ามาที่ดูจิตเลย เข้ามาที่นี่เลยครูบาอาจารย์หลวงพ่อพุทธท่านก็บอกให้หลวงพ่อไปบอกต่อไม่งั้นหลวงพ่อก็อยู่ของหลวงพ่อไปสบายๆนะสบายกว่านี้เยอะเลยทุกวันนี้ก็ทรมานขันนะฝืนต้องออกมาพูดออกมาอะไรเวลาอยู่ลําพังเราไม่พ้มสุกจะตายไปสบายไม่ต้องพูดการพูดก็กินแรงนะใช้กําลัง พูดกับพวกเรายัางไม่เท่าไหร่นะบางคนมันทิฏฐิมานะแรงแต่ก่อนหลวงพ่อพยายามสู้นะพราะทิฏฐิมานะแรงพยายามสอนเดี๋ยวนี้ถ้าทิฏฐิมานะแรงหลวงพ่อก็ปล่อยเราสู้ไม่ไหวล้วอยากเป็นยังไงอยากเชื่ออะไรก็เถอตามใจเธอเถอะบอกให้อย่างเนี้ยไม่เชื่อก็แล้วไปให้โอกาสแล้วนี่อย่างพวกเราได้ฟังธรรมะแนละ้วมีหน้าที่เอาไปปฏิบัติ การดูจิตดูใจนะจะเรียนให้แจ่มแจ้งก็ต้องเข้าใจนะการดูจิตดูใจยังมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งเป็นสมมติกรรมฐานส่วนหนึ่งเป็นวิปัสสนากรรมฐานถ้าดูจิตดูใจแล้วไปเพ่งให้ว่างๆอยู่เป็นสมมติฐดูจิตแล้วก็เพ่งจ้องอยู่ที่ตัวจิตเป็นสมมตานดูจิตแล้วก็พยายามจะไม่เพ่งความว่างไม่เพ่งจิตพยายามจะไม่ทําอะไรเลย ก็เป็นสมถะดูจิตแล้วน้อมจิตให้เคลิ้มลงไปแทบจะลืมเนื้อลืมตัวก็เป็นสมถะเราะฉนั้นดูจิตเนี่ยมันกลายเป็นสมถะได้สี่ลักษณะนี้คืออรูปฌานสีนะั่นเองแต่เรายังเข้าไม่ถึงฌานแต่ว่ามันเดินไปในร่องที่จะไปสู่เส้นทางทั้งสีนี้อย่างเวลาไปดูจิตแล้วทําจิตให้ว่างสิ่งสูงสุดที่จะได้นะก็คืออากาสา น, านจัจยตนะ ถ้าดูจิตแล้วก็ไปจับเข้าไปที่ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้กลายเป็นตัวถูกรู้แล้วก็จับตัวผู้รู้ใหม่จับตัวผู้ร้องใหม่ไปเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะถ้าไม่จับทั้งอารมณ์ว่างไม่จับทั้งจิตเรือ่องอาจิญจายตนะไม่เอาอะไรเลยกูไม่ยึดอะไรสักอย่างแล้วแล้วก็ฝึกใายใจเคลิม เหลือความรู้สึกริปหรี่ริปหรี่นี่เดี๋ยวเหมือนแทบไม่มีความรู้สึกอะ่ะนั่นเป็นเนวสัญญาณาสัญญาญตนะงั้นที่ว่าดูจิต ด, ดูจิตแล้วเคลิมเคลิมนะั้นใช้ไม่ได้นะ่ะดูจิตแล้วว่างว่างใช้ไม่ได้นะ่ะดูจิตแล้วต้องเห็นอะไรดูจิตแล้วต้องเห็นความจริงของจิตความจริงของจิตคืออะไรความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา มือนการดูจิตนีถ้าดูแล้วว่างดูแล้วนิ่งดูแล้วเคลิม้มดูแล้วไม่เอาอะไรเลยนะเป็นสมถะถ้าดูแล้วเห็นความจริงของจิตนี่หลวงปู่ดูลบอกให้ทายานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปทายานคือปัญญาเห็นจิตไม่ได้ทาสติเห็นจิตนะสมถนะนั้นทาสติเห็นจิตแล้วมันก็ว่างลงไปถ้าจเจริญวิปัสสนานะมีสติรู้จิต มีจิตตั้งมั่นก็เกิดปัญญาเห็นความจริงของจิตว่าเป็นไตรลักษณ์งนั้นเวลาดูจิตเนี่ยไปดูให้มันว่างๆดูให้มันเห็นความจริงยกเว้นเวลาเราต้องการพักผ่อนจิตเราเหนื่อยแล้วเราต้องการพักเราก็จับเข้ากับความว่างเราทำสมถะโดยรู้ว่านี่คือสมถะหรือว่าทำสมถะด้วยปัญญายิ่งอันนี้พุทธเจ้าให้ทาท่านสอนว่า สิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญายิ่งคือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทําสมถะโดยไม่มีปัญญายิ่งเนี่ยใช้ไม่ได้พระเจ้าไม่ได้สอนให้ทำํำนะเพราะฉะั้นอย่างเวลาเราเจริญปัญญาไปเนี่ยจิตมันอ่อนล้าลงมันเนหน็ดเหนื่อยนะมันเหมือนเราใช้มือถือนะใช้เล่นเน็ตเล่นอะไรดูวิดีโอเดี๋ยวนี้มันดูดูหนังได้ด้วยใช่ไหมมันจินแบตเยอะ เวลาเราเจริญปัญญามันก็เหมือนเราใช้มือถือไปทํางานหนักครับพอแบตมันจะเสื่อมมันออนลงแบตมันจะหมดละเราก็ต้องรีบชาร์จแบตก็คือการทําสมถะกรรมฐานฉะนั้นเรารู้ว่าตอนนี้สมควรทําสมถะเราก็ทําอันนี้เรียกว่าทําสมถะด้วยปัญญาะไม่ใช่ทําเพราะว่าเสพติดสมถะถ้าทําเพราะเสพติดสมถะติดในความว่างติดในความไม่มีอะไร ติดในความเคลิบเคลิ้มอันนั้นเรียกว่าทําด้วยความไม่มีปัญญางั้นอย่างเราดูจิตเนี่ยเราเห็นจิตเกิดดับจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตดูเกิดแล้วก็ดับจิตฟังเกิดแล้วก็ดับจิตได้กลิ่นเกิดแล้วก็ดับ จิตรู้รถเกิดแล้วก็ดับจิตรู้สัมผัสทางร่างกายเกิดแล้วก็ดับจิตคิดนึกเกิดแล้วก็ดับจิตเพ่งเกิดแล้วก็ดับอย่างเนี้ยเห็นอย่างเนี้ยเรียเราเห็นอนิจจังของจิตนี่คือการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตอย่างเราเห็นนีจิตโลภมันมาแล้วมันก็ไปนี่มันเกิดดับอย่างนี้ใช้ได้พยายาจิตให้ว่างๆใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราดูเจริญปัญญาไปแล้วจิตหมดกําลังแล้วเหนื่อยแล้ว ทำสมาทักอย่างนี้ใช้ได้นะควรทำอย่างเวลาหลวงพ่อต้องการพักเนี่ยหลวงพ่อง่ายมากเลยนะหลวงพ่อใช้เคล็ดลับของหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศท่านสอนเคล็ดลับทำสมาธิแบบรวดเร็วนะกลั้นลมหายใจลองกลั้นใจสิอย่าหายใจเข้าก่อนนะมีลมอยู่แค่ไหนกลั้นมันแค่นั้นนะ นะแล้วจับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละจีก็สงบแล้วสงบแล้วถอยออกมาออกมาทำงานต่อนี่เรียกว่าควนะิชชาร์ตเป็นระบบควิชชาร์ตมีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีเราะนั้นเวลาทำควิชชาร์ตเนี้ยจะมีพลังอีกสองชั่วโมงนะแต่ชาร์จแบบเร็วๆครั้รงที่สองก็จะอยู่ได้สั้นลงสั้นลงสั้นลง ในที่สุดแบตเสื่อมงั้นจะใช้วิธีนี้ตลอดไม่ได้นะใช้ยามฉุกเฉินจำเป็นจริงๆเอเช่นเราจะไปสัมภาษณ์งานตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกแล้วตื่นเต้นนะหัวหมุนติ้วๆไปหมดเลยก็ทำกุิกชจะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ไม่ทันนะนะใช้ใจปกติลองทำดูซสยอย่าหายใจเข้าก่อนนะใช้ลมหายใจเท่าที่มีอยู่นี่แล้วหยุดหายใจ หายใจเข้ากล่อมจะไปอัดซะแน่นอึดเลยนอะ้นั้นจใจพักผ่อนนะเยเหน็ดเหนื่อยยิ่งกว่าเก่าอีกทำได้ไหมยังไม่ได้ก็ไปลองให้เล่นดูนะเอาไว้ใช้หมอะัคารวาสนะเวลาเราขับรถอยู่รนถะตกเหวยังไม่ทันถึงพื้นยังไม่ทันจะตายเนะี่ยตัวนี้ทำวิชาร์ดได้อย่างน้อยก็ไปสุขตินะทำจิตว่างปุ๊บ นะสงบตายก็ตายไปนะแล้วตกลงมาร่างกายบาดเจ็บเห็นร่างกายมันเป็นตัวทุกข์นะจิตเป็นคนรูนะ้ค่อยดูอย่างนี้นะดีไม่ดีได้มากผลนะได้มากผลไปตอนจะตายเลยนะแม้เราไปฝึกนะตอนไหนควรทําสมถะก็ทําทําสมถะเขาไม่ใช่เพื่อไปติดในว่างไม่ใช่เพื่อไปติดในจิต รักษาจิตนิ่งๆไว้ไม่ได้ไปติดในความไม่มีอะไรเลยไม่ได้ไปติดในความเคลือบเคลิ้มทําสมถะเพื่อให้มีแรงมาเจริญปัญญาเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของจิตจิตสุกเกิดแล้วดับจิตทุกเกิดแล้วดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตแพ่งเกิดแล้วก็ดับจิตหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดปัญญา หรือัวในมุมของอนัตตาก็ได้ะจิตทุกชนิดควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เหตุนี้มองในมุมของอนัตตามันทํางานได้เองมันไม่ใช่เราหรอกบางคนภาวนานะจิตเข้าใจขึ้นมามันอุทานขึ้นมาเลยเนาะเอจิตไม่ใช่เราเนี่ยมีเอด้วยนะอุทานขึ้นมาจิตมันเกิดปัญญาขึ้นมาอุทานจิตไม่ใช่เราเนี่ยหลงคิดว่าจิตคือตัวเรามันตลอดอะไรเงี้ยค่อยๆภาวนาไป นี่เป็นวิธีการปฏิบัติสําหรับพวกดูจิตนะทําทั้งสมถะ ท, ทั้งวิปั ส, สนาอย่าไปคิดว่าดูจิตคือวิปั ส, สนาทั้งหมดนะส่วนใหญ่พวกที่ดูจิตดูจิตนะทําสมถะอยู่นึกว่าทํำวิปั ส, สนาต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปั ส, สนาออวันนี้สมควรเก็บเวลาเออบอกโฆษณานิดนึง่งนะเวลามีใครเข้าโทรศัพท์ไปบอกเรา นะอ้างหลวงพ่ออ้างพระในวัดอะไรเนี่ยนะขอเงินอะไรเนี่ยอย่าเชื่อนะแจ้งความได้ก็แจ้งเลยไนะม่เชื่อมันช่วงที่ผ่านมามีพวกมิจฉาชีพนะเที่ยวโทรบอกคนมันคงไปได้เลขโทรศัพทนะ์จากคนเข้าคอสคนนี้เคยเข้าคอสอนะไรเงี้ยมีเลขมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเพจ ในเพจไหนที่ยังมีพวกนี้อยู่เอ า, เ อ, าออกซะนะมันเป็นช่องทางของมิจฉาชีพก็โทรไปหาพวกเคยเข้าคอร์สที่แปลกคือบางคนไม่เข้าคอร์สนะมันยังโทรไปเลยแค่เคยดูวีดีโอดูคลิปหลวงพ่อดู youtube อะ่ะมันก็คงคนใกล้ๆอะ่ะเห็นไอ้คนนี้เริ่มใส่หลวงพ่อนะมันก็โทรไปบอกว่าเนี่ยตอนนี้พระอาจารย์นะไปตกละกามลําบากอยู่ที่อื่น ไม่ได้อยู่ในวัดติดต่อคนในวัดไม่ได้ขอให้ช่วยโอนเงินไ่ให้ด่วนเข้ากระเป๋าอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตมันนี่ออนไลน์ทั้งหลายเข้ากระเป๋าออนไลน์ด่วนดีว่าเขาสงสัยเขายังไม่โอนนะเขาโทรมาถาม ที่เบอร์วัดถ้าเลยตอบว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องอะไรพระอาจารย์อาจะไปขอเงินพวกเธอพระอาจารย์าไปไหนก็ไปกับหลวงพ่อตลอดขอก็ขอในวัดสิลูกศิษย์พระอาจารย์อาก็มีตั้งเยอะแยะไปขอคนที่ไม่รู้จักทำไมเพราะงั้นถ้าใครมาขอเงินอย่างนี้เชื่อไว้เลยนะว่าโกหกพระหลวงพอ่อวัดหลวงพอ่อไม่มีการ เรียเด็ดขาดเราอยู่อย่างนี้มาตั้งยี่สิบพันษาแล้วไม่เคยขอเงินใครเลยตั้งแต่เป็นโยมก็ไม่เคยขอใครนะเคยแต่ให้อย่างหลวงพ่อสอนกรรมฐานตอนเป็นโยมเนี่ยใครไปเรียนก็หลวงพ่อนะหลวงพ่อให้กินข้าวด้วยนะเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟะ ท, ท, ทุกวันทุกวันทําอย่างนี้เสมอมาไม่เคยขอสตังค์ใครใช้หรอเพราะงั้นถ้าใครบอกงี้อย่าไปเชื่อมันอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ตั้งแต่อาทิตย์หน้าขึ้นไปเราทําแบบนี้ไม่ได้นะเดินเข้ามาเฉยๆอย่างนี้คอยไปดูเพจของมูนิธิมูนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทนะเขาจะเปิดให้จองเข้ามาฟังธรรมแต่ละคนมีสิทธิ์จองเดือนละครั้งเท่าเทียมกันนะยกเว้นพวกที่ช่วยงานหลวงพ่อนะพวกนี้ต้องเข้ามาฟังอย่างพวกผู้ช่วยสอนเนี่ยมีโอกาสให้โอกาสเขาเยอะหน่อย พอก็ต้องเรียนให้มากว่ากรรมาการวัดเนี่ยต้องรู้ผิดทางต้องรู้อะไรให้โอกาสเยอะหน่อยแต่ไม่ใช่ทุกคนทุกครั้งนะก็หมุนเวียนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ไปจองทั่วๆไปแบ่งไว้ส่วนหนึ่งไม่มากคนที่ช่วยงานส่วนใหญ่ก็คือต้องจองแปเอร์ซตจ้องจองงั้นพวกเราอยากเข้ามาก็จองเข้ามานะไอ้ประเภท จองแล้วก็ต่อรองขอเผื่อคนโน้นขอเผื่อคนนี้อีกห้าคนอนะไรเนี่ยไม่มีที่ให้นะเพราะว่าไม่มีที่สำรองเหลือแล้วงินจองหนึ่งคนก็คือเข้ามาได้หนึ่งคนไม่ใช่ขอเข้ามาพวกคนโน้นพวกคนนี้เป็นไปไม่ได้นะนั้นรู้กติกาด้วยแล้วข้างนอกเนี่ยอย่าพยายามมาอยู่บางคนบอกว่าจะให้เมียจองแล้วผมไม่จอง ผมจะขับรถมาส่งแล้วขอเข้ามาอยู่ข้างในถ้าอยู่ข้างในไม่ได้ขอนั่งระเบียงได้ไหมหลวงพ่ อ, อยังสงสัยแล้วทาไมผัวมันไม่จองด้วยนะมันมาอ้างอะไรบ้าๆบอๆอย่างเีนะ้ถ้าตัวสึกลําบากมากฝั่งที่บ้านมีไลฟ์ให้ฟังไลฟ์สดเปลี่ยนไปเก้าโมงแล้วนะรอบต่อไปไม่ใช่เจ็ดมงครึ่งมานั่งรอทําไมหลวงพ่อไม่เทศที่นะเขาเปลี่ยนแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่า ก็ยังไม่ได้ประกาศยกเลิกกันเก่านะแต่ว่าไม่มีแล้วนะเจ็ดมงครื่งหลวงพ่อเทศเจ้ามงนะเอาละพอสมควรแก่เวลานะนเชิญ